สิกขาบทที่5เรื่องพระชพปวคี610สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกพิสุทชาพวกีชันบินตบาตขยุ่มลงแต่ยอดพระบัญญัติ 5. พึงทำความเสมียกว่าเราจะไม่ชันบินตาบาดขยุ่มลงแต่ยอดเรื่องพระชา ป, ปีจบสิกขาบทวิพัง ภิกษุไม่พึงฉันบิดาบัดขยุมลงแต่ยอดภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อฉันบิดาบัดขยุมลงแต่ยอดต้องอบัติทุกกฎอนาปฏิวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัติคือ1นภิกษุไม่จงใจ2อภิกษุไม่มีสติ3าภิกษุผู้ไม่รู้4ีภิกษุผู้เป็นไข่ห้าภิกษุกวาดตะล่อมข้าวที่เหลือรวมเป็นคําแล้วฉัน6กภิกษุผู้มีเหตุขัดข้องเจ็ดภิกษุวิกลจริตแปดภิกษุต้นบัญญัติ สิบาบทที่5จบ